พวกมันมีเศษที่จะพูดบบเศษเป็นโยนแล้ใครจะไปก้าไปไปพูด ท, ท, าาทีท่ัทำไมเนี่ยทำอภายใครหด้จากสื่อที่เป็นประโยชน์ขนาดเทียงยังไม่ถึงเวลาเที่ยงเลยเที่ยงนะสมพันไปไปไปไปเรียกทันอุนทัยประเทศทำไมต้องการกันสิ้แล้ว จร uh, ิงๆแล้วอย่างที่早ี่อยู่บ้านเขาจะมีอ่ะเขาไม่รู้นะเขาไม่ได้กินหม้อดองไก่โอ้น่ดินเขาไมานี่ยเขาออกทางไม่ได้หรือออกทางแคนนั่นเดียว home h o e room home TV แล้วไม่ออกเองเนคือบอลจันไหมจับกูไ้จังไง อันนี้จะทำยังไงทีเนี่ยเรื่องการเหตุการณแนี้เชื่อยังไงทีเนี อันนี้มันต้องมองแบบรู้เขารู้เราทันเขาทันเราสมัยใช้สื่อกันอย่างนูใช้สื่อทำลายเลยและทีนี้พวกควบคุมสถานีได้เข้าใจตรงนี้มากน้อยกันไหนกันบ้างว่าทางกิ๊บเต่าพิอานี้กำลังที่จะมุ่งทำลายสถาบัน เล้วอสไม่เป็นไรหรอกคนไทยต้องใจเย็นเย็นคนไทยต้องใจกลวงกลวงเงี้ะมาทูกับเราไม่ได้ไอ้สัตว์เนี่ยคนไทยต้องใจกลวงกลวงคนไทยต้องใจเย็นเย็นคนไทยต้องใจกลวงกลวงเวลาถ้าเราตอเออใช่แล้วคนจะทํำยึดอย่างนั้นเราตอบกับเคอ่์มาไงเออคนไทยต้องทําใจกวงกลวงเออเอากลวงออกไปกลวงไป โง่ขนาดนี้ไม่พอกลัวงไปให้เขาเอาขยะควงโง่ไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปแล้วว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่คนโง่ที่เอาขยะขยะความโง่อัดเขา้าถ้าต่อเข้าไปอย่างนั้นนะมันภาษาเขาพูดเราอย่างไรมาลู ยุคนี้มันใช้เทคโนโลยีใช้สื่อเป็นอาวุธอะไรทุกอย่างไอ้ประกาศอะไรทุกอย่างเราเต้ประกาศไอ้สิ่งที่ประกาศออกไปนั่นควรไหมที่จะประกาศออกไป ม, มันเป็นประโยชน์ไหมก็มันน่าจะเ <c oughs> ชื่ตรงนั้น <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้มันกลับมองเกิดควบวามเสี ย, ท, ยทั้งวัดขนาดวัดโปม่ วัดห า, า, าไรายได้หลอกคนไปทำขาด ท, ทำบุญทำการถ้าเขามองเงี่ยนี่วัาจะเสียหายากนเนเขารู้แล้วว่าใ น, ในทั่วประเทศทุกคนเนขารับพ่อแม่ของเราอยู่แล้วนี่ข่าวว่าดีทุกคนก็นิมนตเดี๋ยวมาจะทำบุญนี่เดียว <c oughs> ทำไมไม่มองจุดนี้ห่ะ คนจะออกเออเรก็ไม่ว่าเดอเรื่องคนน่เราก็ไม่วา่าก <c oughs> ็ยังนี้ยนะมาถึง่น้าต้องการเสร็จแล้วรก็ไม่ได้อยู่นานหรอกถ้ามองแบบโรคใช้ถ้ามองแบบโรถ้ามองแบบเออค ท, ที่ท่านสอนเนี่ย บางทีก็เ ป, ป็นกาบังปูรีบางทีถ้กิบอกชัดเจลยวันามาเขาก่อนรับจากวัตถุปูันมาแล้วก็ฟารก์กอร์นีเแหละเพื่การปุคกควนแต่เนื้อปกติกาบตั้งปูรีแปว่าคนพอเมรเท่าอนอะไปไบอกแต่ร่งูซ่าตนยรง่งบริบาไเอา้าอ ยังมาห้อ <sm> ย erm ูดังเป็นเป็นเป็นง่วเป็นคยเอาไป่า่หูดังพมันเป็นงัวงคุ้ยผสมเข้าพอดียังนุ่มอนีลาเขากันแดก็ฟังหมือตามเดิควควรูเที่ยวควเขาใจของเราหนออย่ามายุ่งเราอย่ามายุ่งเรา เรีว่าไงถ้าเผือท่านบอกเลยยังไ ม, ไม่เข้าใจอะถ้าเรามีความหวังกราก็ม่ว่านี่แบบโลกแบบทราหรือว่าท่านคิดจนาแล้วอ่ะไม่เป็นการไม่แสดงความกล้าหาญในภาาปฏิบัติแบบโลกเขาอาจจะรอหายใจได้ไม่ตายลม ยังเมื่อไหร่หาใจได้เมื่อไหร่เอาพำที่ไหนหาใจได้อยู่ได้แต่มองทางด้านนยเป็นการธรรมะที่เป็นบาปเป็นกรรมด้วยก่อนธรรมะที่เป็บาปเป็นกรรมเออทานีก็บรรลุธรรมะเห็นว่ใช้โยตูผู้อยู่ว่าอยากใชออกก็ได้เลยเที่ยววัน ท่านสั่ห้ออกแล้วก็ใครไปสั่เขาเขาดมันสวนทางไงแล้วบอว่าความคิดคลามทิดเห็นของแพทย์ของหมอตรว่าหน้าที่ของแพทย์ของหมอแต่หน้าที่ของผู้รักษาเขาเประชาพัปฏิบัติใครจะรักษาท่านผมก็ไมรักษา นะารับเ่อเราจะใช้ใช้เสียงใช้อะไรอ่ะพูดตรงไปตรงมาเราคิ้ว่าเราไม่เคยจะอยู่นี่แล้วจะมีเศษอะไรจะพูด ถ, ถ้าเราเคยปรจานติองสาอยู่นี่อยู่กับท่านปีสองปีสามปีแล้วก็มีเศษที่จะอ่านมีเิษที่จะพูดกันท่าการของหม่คนนะ ทำตามนันอย่างนี้นี่แต่พูดปฏิบาัาิแต่ราจำได้พูดได้อันนี้เราพูดนะถ้าไปใช้อะไะคำสั่งสิทธิ์เด็กขาดอาันนั้ น, น เ, รเราไม่เด้จพูดปฏิทติเาพูดได้เอน่ คนบอกคนแนะนำคนเกลีอดอยังไงจริงๆยุคที่จะกันไม่ได้ว่าจะชิดติ้งยังไงแล้วยุใกล้เชิด วนเรื่องนี้ความจริงเรื่องถ้าถ้าทำความเข้าใจแบบถ้ามันถูกตามแนวทางปฏิปทานี่ยนะ <c oughs> ก็เหมือนแบบพระพุทธเจ้าท่านสั่งพระนรนจกรอย่างแล้วถ้าไปถึงแบบโรชาติเออเนี่ยเกิดแก่อายุขนาดเนี้เรียกว่าท่านแก่แล้วอย่างเก้าสิบปี 90. ทํายอมรับยอมรับมาถึง เกิดแก่อายุเก้าสิบปียอมรับว่าท่านแก่ไหมต่อไปก็เจ็บอยู่เนี่ยยอมรับไหมว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี่ยมันเหลือเพียงแล่อะก็เถียงที่สุดทําไมไม่ยอมรับฮยังจะอลาลัตนาอลัตนาให้รงร่ารงขันอาลัตนารงร่ารงขันรงไงขันไงมันก็ความพงอยู่แล้ว ส่งไวทำไมเนี่ยทางทำท่านท่านสอนอนันนะเรดแบบนั้นนะแลวสิ่งที่ควรพวกเราควรจะคิดน่ไม่ได้อะไรมากมายเน่ยสิ่งที่ท่านมอบให้ยังชาวบ้านก็สินห้าเอามาใช้เถอะสินแปดเอามาใช้เถอะ าอากาศเวลาสมุทรีเรียกมากเหมือนแม่ขาวดังกีเนี่ยเสงแต่ท่านจะบอกให้เอามาใช้เถอะตรงนี้น่ะสามเณรเสยงเสีบท่านก็ให้แล้วพระสงฆ์ของเจ้าถึงสอง้ยเเกียิประทบทานตอนนั้นก็ท่านจะบอกให้ภาวนาเอาที่ท่านเม่ตาจงสารนามาใช้เถอะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้านามาใช้เถอะเหมือนพระพุทธเจ้ายังอยู่ทีนี้ เหมือนครูบาอาจารย์ยังอยู่ถ้าเราต้องนี่มาใช้นะอันนี้เราก็สาทุกแล้วเคยเด็กเดียวอยู่กรูบอาจารย์ควาใจของเราน่ยจะผิดเราก็ยอมละเอ่าเราคิดผิดนะสมัยเราเมื่อฟุตอายุเป็นกลางก็ปีส0บปีสิบสี่ปีก็อยู่กันหลงปู่ันจำจอนวิธีภาคปฏิบัติ เดินโยกมทําคมพระกรเป็นแล้วก็เอาคำบอกคำสอนท่านย่างไปทำกลางวันกลางคืนกลางวันแล้วก็เอาไปทำเดินยมแล้วก็เอาทาตามคำสอนท่าน่ะนั่งาำหน้าที่แล้วก็ทาตามคำสอนท่าน่ะแต่ที่นีกู้บาอาจารย์หน้าที่ของท่านบางช่วงข้างรับจิติมลไป3ามวันีวันเป็นอาทิตย์องอาทิตย์ โดยเฉพาะก็น้องปู่อ่อนเลยที่น้องโบาณกับล้องปู่กงมาที่เราทำกิจดีทำไมได้ะนะ่ะ <c oughs> แต่ทรงขอญาติโยมทรงมาถึงเทศทรงมาแถวโกดังได้ไปแข่งแข่บุรีเวลาท่าน <c oughs> มาตะได้เงี้ยนนะ่ะแล้วก็ทำแมเหมือนที่ท่านบอกถ้าจะไปที่วันก็เหมือนที่ท่นาน อ, น, ททนอยู่กับเราอยู่ผมรู้สึก น, นนะ <c oughs> แล้วเกิดความอบอุ่นแล้วแ <c oughs> สา่า ถ้าเอาอคำสอนของท่านมอบให้แล้วเอามาทำมาปฏิบัติมาละสารฉันจะอยู่เนื้อเกิดแล้วกาทำแบบนั้นแล้ท่านจะไปเทระแล้วก็ทาแบบนั้นเมื่อที่ท่านอยู่มาตรงประเด็นเป๊ะเลยกทียมเพราะโน้นในทนถามพระพุเจเพราะพระเจ้าดินพดนว่วนบอกล่วงหน้าเลยเอออีก ต, อตอ่อจามนีไปสองเดือนจาเรือตถาคตจะเดือนจากพันขพตตุรีพันนะ ความเงดูดเอ๊ถ้าพระองค์ท่านจะเรียนแคั้ที่ผ่านแล้วจะทำยังไงเรายัางไม่ได้สาเร็จเป็นป mm hmm. ่าปกควมจำเน้ทนทํเรียเอ่อถ้าเหนื่อยเดวจะไปทุนถามพระองค์ท่านทําไง่ <laughs> ถ้า ถ้าตถาคตเจ้าจะเจจนแตขันเขาถูกนิพพานแล้วเจข้าพระองค์อาศัยใครเป็ศาสดาเจข้าพระองค์ผู้พาอาศัยใครกันตอบด้วยเอานอนคำสอนที่ตถาคตสอนไว้สมบูรณ์แล้วอันนั้นแทนองค์ตถาคตนำไปฝึกสำบะปฏิบัติเธอผมมันนึกเอ ในภาคปฏิบัติของเราดีอยู่กุบาอาจารย์นะท่านจะอยู่แล้วก็ทำแบบกุบาอาจารย์สอนท่านปัจจุบันทำแบบกุบาอาจารย์สอนท่านไปจีวันก็นเหมือนที่ท่านอยู่แต่มันต้องเป๊ะในการชื่อพาะโดนถามเลยเขาดูเจ้าอันนี้คือหลักใจในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อันนี้ทุกวันเนี่ยถ้ากุบาอาจารย์วัดไหนไปเลยส่วนมากเนะโอ้ยวัด น, นั้นเงียบเงาเงียบเงา เราฟังเราลำคาญกับอย่างนี้แล้วความจริงเนี่เงียบเท่าไรยิ่งดีที่ท่านเข้าไปหาภาวนาตามธรรมของน้ผาป่าเขาลูกมูลม ล, ม, ลมมาตห า, วหตนะานนะความเงียงงบนั่นแหละแต่เงียบนท่าน่ะฝควเงียบจนงบเหมควหมายอันนี้กูบายจา์มะยกเงียบเงาเงียบเงาที่ทำไมไม่ฟังความหมายที่ท่านบอกท่านสวน ไม่ฟังความหมายดิ้นปฏิบัติเข้าป่าตามถ้ำก็หามเงียบเมือนกัแต่คนเป็นมเงียบสมอกปวดก็ไม่คเงียบสมอง่ันเดียวแความคิดเห็นเพียงแค่นั้นเห็นเพดเหถูกเห็ถูกเเพียงแค่นั้นน่เข้าใจควหมายนวกเราเหมือนกันเลยก็อยากจะให้ ท่านทรงท้าทรงขันอยู่กับเราสองร้ยปีสามยปีอยู่ในนานเท่าไหร่จริงๆอ้าวขนาดนี้อายุขนาดนี้ยังไม่ยอมรับพระท่านเจ๋ท่านเจ็บท่านปวดลอวันนี้ท่านจะจากไปน็นสิ่งที่ท่านมอบให้แทนองค์ท่านน่นะนะอันนั้นคือสิ่งทำข้อปฏิบัติทําไมไม่นึกถึงตรง น, นั้นมาเรียนมารมาุรกมาฝึกมาปฏิบัติ พักที่ไหนแต่พักที่ยังไรู้เลยครับวันนี้แค่เต้นต่เีเต้น่นกลางท่าใหญ่เลยรู้ไหมเต้นเข้าป่าอย่งนี้เรมีเต้นเอาไปไม่ได้พวเนี้ยขาไมเีมีที่พักที่ไหนาไปทักทักที่ไเหอเหรอวต ยังไงว่งเจ้าคะเฮ้ยหลวู far, anyway. ่ได้ยินลงตาเลยยันเจ้าคะอ้าวไม่เห็นจยังไงถ้าไปเ็จะพูดได้มดนะได้ยินกับ่คยฟังหนึ่งทีหม่ไปทุกวันเนี่ยหูมันทุลุเดียวเอะหูนี่ทะลุหูนี่เอาหูนี่ทะลุหูนี่มันมาลงถึงใจน่ะเออทุกวันทุกวันเ่ยมันเป็นยังไงไม่รู้ถ้าไมลงถึงใจจะเข้าใจได้ไงเนี่รบว่า เข้าหัวขวามันจะรูหัวซ้ายเข้าหัวซ้ายจะรูหัวขวาวมันไม่ลงถึงใจมันจะเข้าใจได้ไหมอานจะนำข้อนีอ้ไปคิดใหม่ไปเจี๊ยบไปฟังในคันแทบของพ่อแม่ของเราออก <c oughs> <c oughs> ไปๆ <c oughs> ถ้าว่าแล้วความเดียวเดียวว่าโอ้ยองค์นี่มันก็อหูแทบจะว่าละ่ะ <c oughs> คือมาอยู่ตลอดเลยใช่ไหโดยการก็จะใช่เออาพยายามว่าอย่ยงที่ผมดูว่าถ้ามันมีโอกาสขายจะยื้อไว้มันก็ยังรู้สึกว่าด้าน่ราเขาจ่ายแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไท้ก็ทำาง ก็จะยอมรับยอมรับทความจริงมาเถนี่ไม่ยอมรับอะไรถ้าจะทําถ้าจะคือความจริงถ้าจะคือความจริงีเไม่ยอมรับน้สรี่ครับเออเอามันนี่ก็มีมาแล้วเนี่ยเออเอามา ว่าจะอยู่ลาสองคัน ไม่เห็น i ็มุกเดียวเดียวคนเราจับ อะไรอ่ะน้ออยเจ้าขันงูจาัน้อยยา้เดยเี่ยหกันนดีีลูกเอาไปเตือนใช้ฉายบ้านในห้อที่มา่าอัานเจ้าขันกูเยวงั้ก็ตงดเลอันท่าไร้คู่บ่าถามวันโยมแขนเออนี่ไปใช้มันบอกเจ้าขันเลขับรถไปเบืองเบิ้องหลังเมาเลยเจ้าขนูไม่ใช้หนามาเหาะทีาอ่านมันมันมันฉายายเจ้าทําไผ คำพระผู้บ่าไม่ยันแตกยันคันันนาเดียวูวัดอ่นยังเหลืออยู่ส่ยนพบวัดประดานก็มีอันียวเขาเพิ่งเสืออเสกแล้วคุณว่าเมื่อแล้วแล้วะเป็นเป็นอเลรคุณแล้วเพิ่งแล้วหรอจะว่าอาจน้อยนิดทีมันก็คนมีนะหลวงปูจะไปเพิ่จะท่าหรอเจนจะอยากจะใส่กับเปาเนี่ยเจ้า่ะคระ กูค่รอย่าเทศท่านท้านีกกวนี้เจ้าค่ะหลวงปู่ลูกก็เป็นกูนิ่มห้าก็เหตุใจใส่เน้ค่ะันไหลเนวเทไหลงปบเนอนีย่้อมาน้อน่อกปแจกจอมสวัสดิ์ครับลยขับรถทันนี้เลยหลวงปู่มาลูกเลยจอดซื้อต้นอ้อยค่ะ ไม่หรอไอถวายปัจจยหลวงพูดเจ้าค่ะไอเจมาวายปัจจมีทีช่ไหมถวายเจ้าค่ะดูนี่ใส่รหาสลอยด้วยดูนน่ใส่รหัสอะไรก็ไปแล้วข้นมมือจบมีเหนื่อยก็เหยียบหอกขมีด้วเองนี่กูเกมาทุ มองอเจ่ะใต้เสื้อป่ะเจ้าเลวันเลวันเลวเลวเลวมีปีนี่แต่ยงอด้มีเวลาบางคนถึงคนสองเชื่ต่างเจามาเจอวันเอผู้โนจ้าค่ะผู้โนเจอวันเด้อผู้เด้อผกดจับเจ้าค่ะฮึอาเอาไว้กดจับเจ้าค่ะกดจับค่ะ จังหวัดขุดรจ้าค่ะตะอนอยู่ลอยกรเจค่ะแต่พพักพึงไปอยู่ขุดร้นได้สองอาทิตย์ค่ะพู้ลอยกรเจ้าจค่ะทะเลขาดร้อนแล้วก็หองแสงนี่เจ้าค่ะการชุดท่อนนีเค่ะมันไม่ค่อยไปบ่อยแล้วๆขุดร้อนมันเป็นหอวงปูเคยไปอยู่เจ้าค่ะเห็นท่านอาจารย์พงศักด์ว่าหลวงปู่ค่อยไปอยู่หวงปูไท่นไรานไรบ่บองนี่เลยอนุาตเาค่ะ ไปม่นี่คือตัวมากไปไปงานงานยังมันอมานเพ่อจีสังาเพราะ้าคะหลวงหลวงปู่ี่เป็นองค์ไปไปบอกพระจิสังในของของคนเขาอวบ้านเื่อเรื่นีนะัวบ้าเ่อเรอก็นการจายว่าหลวงพ่อใช้กรมาดีล่ะเยอยอยู่ตัโคิโน่ตใหญ่เรืองเรื่องกระปน่ก็ไปเลยนะเตรียยนฟองเปลี่ยนยางว่าจีดูเนยกระไรยีะใหญ่ทไมล่ะ้งห เสมมหานัดถัดนี่อย่มันบอกมันหลังมันไหวระวังขวัญเจ้าขาขาหลังใหญ่เจ้าขาหลังผู้ว่าเอะเอเออเเ้าขาเออเออเขาไปพ่อาไม่เป็นเาลอมล้อ้าหนาเป็นแม่นาคสิ่งไหนเจ้าขาพ่ตุ๋เขาพี่ตนเขาก็ไมยากช้าจังาไมจเนินของนนใหญ่เจอเจอเพราะเราไปใส่ิดแบบเขามาเรื่อยๆนะทุ้คนแต่ยิงเนียรไม่มีะเออเออ จะพาดไม่จะพลาดกสังเก <c oughs> เออเ อ, อเ อ, อเห็นการเพราะว่าเออ่วงทานล่วงทานทั้งข า, างนี้เราเราคือเี่ย ว, วเยวี่เยวเอ สามแล้ไปรานเออสามสานถาจันามมันใครีเหลียวเาอนเกาน้ำตเหลือแงเออๆๆแล้วาเวากัเนาะสาก็อยุสาแล้วไปรจี่ยเขา้าน่าค่าควาคา่าค่่า่าค่า่ค่า่าาค่ค่าค่าค่าค่าาาค่ค่าค่ค่าค่าา่าา่า่่ค่ค่่ ก็ท่านจะนี่นีเรื่องนี้หลายนี่นีีหลายก็หาไก่ไก่นี่แหะมันก็อยู่ไหนคุณมาเจ้าตามละเอียดเจ้าค่ะคุณไปพยบาลเจ้าไหนกลางประเทศปอนไหนกลางประไหมอยนะคะหนูอยู่ใส่ชีพยูต่างประเทศที่สิบขึ้ปีเจ้าค่ะเพิ่งกลับมาเมืองไทยปีนี้ม้อยไปไปทำงานกลางประเท็ประเทศไหนสวิตเนด์เจ้าค่ะร คนไทยทุกคนจะพิเดนเนี่ยนะคนไทยเนี่นนะบอก <c oughs> แล้วพอไปไปเข้าเาไปแย่ยิ่งขึนก็ได้นะค <c oughs> ันไหนก็ตามเรื่องประเทศบัมยู่ลังห้างห้องประงสหรอกแต่ท น, นีประเทศประเทศไดก็ตามเขาใจก็ตามมันกอกั น, นหมดคือการยังไงบังเนี่ยจะขาเจ้าจะขานี่จะแขนเ จ, จ, าจ้าจะแขนนั่นพี่หูพี่ตายจะกัน แล้วก็เจ้ามีหูวมีตาแล้วเนี่ยคนเอือนี่จะบวงยางๆกับบางอะงรนี่จะขานี่จะแขนก็มันเรื่อมันขึ้นกับมันมันเลยคือจะขานั่นหอหรืไปตั้งใหเห็นันเี่ยต้องการจะดีมีความสุขทพียงแต่คิใจเรืกองมันตั้งกันบาได้เลอย่างแนวว่ตั้งเลยว่าเอาหลักความดีความถูกต้องหลักจริยธรรมเนี่ยพูดงอันเอือนี่ใช่ประเด้พยคามเป็นความโง่ของุูุช่ เรียกจบใส่มา ก, กพวกเจ้าเข้ า, า, ววา ป, ประกาศว่าเนียจบปริญญาเอกมานแ้่พวกพคุณเคยแล่ะลุนลูกลุนหลานลุนปีรุ่นน้องมาเนี่ยว่าจบ ป, ปริญญาเอกสาขาหนึ่นสาขานี่พระเจ้าแท้เรียกว่างไหนจบ ป, ปริญญาเอกมาแล้วคพราะว่าวด็อกเตอร์ประวาัติเลยเออแมนอยู่ ดรมีเข้าใจข้อหมายเขด็อกเตร ว, ว่าอกเตร์ดีด๋ยวภาษาเพื่อนบ้านเนี่คือเลี้ยนจอบวิชาชั้นสูงชั้นเอกเลียนจบรียกดตอร์แล้วตวนีเอานั่นงรักวิชา น, นีา่นะมาใช่พัฒนาประเพณีาใช้เถามมาแล้ว่เอาเงินไม่ใช่ถูกครางดรเตอร์นี่ไเป็นสองประโยคด ค่ะแ่อะก็ค่ะมันแมนไว้แแตฉาน่ไหมะม่คือแมนหวรลูู้พิจอันนี้ก็ไปเที่ยวเมืองดอกจนเนดินมได้เป็นล ยังยังมาเรียนแปลดอกเตอร์เดก็ปูเดยนี้เด็้อดวก็เติร์ดเติร์มาตัวแปลฟังดอกเตอร์พยงเดียวนี่นะบงผลงานการทั้แล้วง้องเดียดดอกเติร์ดแก่กันแล้มันมันจีดไไปเจอดีแล้วดีแล้วเอพวนาดีกว่าสิ ที่ก็แค่ก็เดินก่อนแล้วก็แล้วก็บ้าไหนกมาเจอใรอยู่นเลยครับานนานูมาตอผมก็อยู่สกลครับสกครับผมเคยบวชอยู่วัดอาจารย์ทยุงอยู่วัดปลาสุดาในกุฎิทัตตะลาว่าอะไรครับบวชจนเดือดบวช สิบหามย์ครับขับเค้นเไปอยู่กับเพิ่นครับมันเป็นประเทศนี่แบบใครใครคนไข้คนอสูรศาสตร์หนาคนทราแยกรุต่าเป็นขั้เท่าถ้าได้ลูกฟุ้ซาามาบวชเนอะหาคุยพุตซาวน่งเลยทุกคนคำว่าคนคนคนนีคนดายถ้าได้บวชเนอะเออหมาอสมเทอะ แตงการแต่งงานได้ล่ า, ลาแค่สิบมือครับตุลิตูดเอาอีกหามือนี่ความจำเป็นเลยเจ้าว่าเป็นอะไรเดชการมันจะเร่อยยากเลยเแตงงานอย่างนี้เป็นตำ ร, รวจครับ <c oughs> อันบุลูลูกบุลูว่าหลวงปู่สิมากก็เลเตรียมน้ำจิ้มุกไม่ตรงถวายหลวงปู่นะเจ้าค่ะเอาไม่ยังนไยังงเอาเดี๋นั่งรอไม่ได้ยางรอลกอนญาตานี่มกบนี่หน่อยเนเจ้าค่ะยงใคร้าวแลคือขออนุาตขอโทษวปู่ก่อนที่หลวงปู่มาเกี่ยวกันที่นับปใจนะเจ้าค่ะัจจัก็รอที่สองอูี่พ่อมีสิวว่าขาเจ้าใครนะเจะปู่กันยที่เขาบุญยไให้แดง ไม่ต้องข้ารถในอย่างนี้ส น, นสภาพอากาศิดพดนะ ก, ก, ก, กคนทุนนะนบังใใจเพราะว่านแบว่าเข้าเป็นงยุดลูจะไก่หลวูลูกจท่านีนี่อย่างลูกก็อยา่านัก่ลงปูหละกันเมนเชือผูไม่ยิ่งเขาสื่อสินแปดเสียนมวลราาจะทไวหลวงูปัจจัยข่ารถเ น, นี่นย ไม่จะดีสาหรับที่เขาไม่ยิ่งนางซอยมอจานเขาจมัหวลูกกู้บันนี้มีความรู้สึกว่ามันสืบขีดกันบ่บ่แห่งเหตุน่ะเจ้าค่ะบ่แห้งเหตุเราก็แบบเขาแสดงออกเลยน่เจ้าค่ะเขาบ่แห้งเหตแล้วก็มามากรบ่แห่เหขึ้นมากืว่าเขาถวายปัวแล้วเขาไม่อยากให้ยูกับปัวเข้าไปร่วมยูน่นะเจ้าค่ะจริงจริงเจเราอีกอย่างนืงเขาโตเขาเองเขาก็่อยากมีความรู้สึกว่าอันนี้สิ็จความเขาลอยไปเส้นกับบ่แมนกันดูว่าเขปเส้นว่าเขาไม่อยากให้ถวายข่าวหรอปูเนี่เจ้าค่ะเใจเข้าใจ มันเป็นขวางธรรมด า, าเดียวนี่ยก็ฟังแต่ว่าอย่างนในใจของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยโลภโกรธหลงไอ้ความรู้ปุ๊บเนี่ยยังเป็นเครื่องแสดงออกบอกละระดับความรู้ก็สิ่งที่อะตัวเองต้องการถ้าตัวเองต้องการในสิ่งที่ถูกต้องมันมีอยู่เจตนาของคนหรือว่ากฎระเบียบถ้าทําตามเกียวนาของคน ทำตามกฎระเบียบบ่ได้ทา่าตามวความรูเลยทา่านตามเกียตนาอันเป็นประโยชน์ถา้าเขท่าตา ม, ตา ม, ต, ามตามกฎกติการะเบียบกับเกียตนาของเขาเกียตนาดีเนี่ยมันจะแดงความรู้ความอยากตรงกันอันนี้อ้งองปูบงึงบึงควนมันบม่ได้บึงเบึงแนวอื่นเนี่ยบ่ได้บึงเอาความรู้อื่นเนี่ยจบอย่างมากแล้วไม่ได้บึงหันอย่างเดียวด้วย เบื้งพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยมันเป็นเป็นไปเป็นคู่คู่เลยออ่าที่ศึกษาจากมหาไรปานนะจบมหาได้บ้านเนี่ยก็ยกไครแล้วประว่าหรอกแต่ปัญหาไวไ้ปานเนี่ยพันเบิ้งแบบเป็นเป็นคู่คู่ดีกับสัวอันนี้คู่หนึ่งเพศข้าโธ่ อันนี้คู่หนึ่งข่วรบวกลวนอันนี้คู่นึงเสื้อซ่าก็คล่องตัวอันนี้คู่หนึ่งฉลาดโง่อันนี้คู่หนึ่งเบิ่อไผ่เบื่อพฤติกรรมที่แสดงบอกแต่ละคนระดับไหนกว่าเถอะบริหารประเทศเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบนี้ก็เถออันเนี้เป็นเพียงแสดงบอกพฤติกรรมคือแสดง นี่ยังเป็นเครื่องบัดซิเนี่ยแบบโรกๆนี่คนหมายแต่คนหมายบระเดนวน่านเป็นความเป็นความรู้ความคิดสามัญชนมัน จ, จะเจอที่ร่งางกายกำลังได้เรื่องคนหมายถึงจะให้ก็ะตามทาเช่งขัดให้อยู่ในระบบของคนหมายอันเนี้ถ่ายว่าเออคนหมายเนี่ยบ่ท่านโยกท่านสะหมายว่าท่านในการมันประชุมหรือต่างกันก็ได้ คนจะแจ้ไขคนี่เลยอันนี้ก็อล่บบอกอประชาติที่เมตใจที่สมบูรณ์ที่สุดที่เนี่ยมันมีข้อบกพร่องสินทาเอาสินทำไม่เป็นเคืองบัรว่าคนเนี่ยแสดงเพี้ถูกคว่ำเพี้นเลยะเพี้ยนหลักเปนกรเ่าบอกพีดนคนไหนล่าบ ดีตัวคำว่าตัา ว, วเนี่ยมันผิดหรือเป่ผิดหลักเรินทรรมผิดกฎหมายหรือเ่อันนี้มันมันมั น, ม, นม่เครื่องวัดจริงๆนะทำผิดแบบเนี้ยฉลาดกับงงมันจะจะแดงข่มผิดมากเลจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดได้เลยนะีนะ่มันเป็นเครื่องบอกดีตัวนี่นะง้อผิดอ้าว เด็ยังเนี่ยรักกฎหมายกติกาหรือว่ารักสินทรัพย์ทั้งหมที่ยศเดี๋ยวนี้งองค์กรสิทธิมญญนุษยชนอิสระเสรีภาพนี่นำมาใช้โดยมได่ไอธิบายเดี๋ยวนี้น ะ, นะขาก่อน ท, ที่จะอธิบายถ้าฉลาดนะ รู้จักก า, an, าลเทศ ส, สารน่ะกาลเทศสารน่ะสัพท์นี้ะไม่มีในเมืองไทยแตก่อนที่มีนะนิทรรศเสรีภาพเศรษฐิมโนชนองค์กรเศรษนีมโนชนไม่มีแต่สอนทาสอนให้ทำแต่ไม่ได้พูดชื่อเอาโรคขยันนะลูกช่วยแม่นะลูกช่วยพ่อนะลูกเสีอนเตือนหนุรู้เตือนชาตินะลูกไปพอดพักพ้นหยาบใหลูกไปไปเลี้ยงง้วเลี้ยงง้อลูกไป สอนเศษผิของลูกเขาให้ตามพ่อแม่บอกสอนนะมันก็เป็นข้อดีคนเดียแต่ทุก ว, วันเนี่ยสับเนี่ยไม่ได้เอามาใช้หรือใช้ก็บอกเขาไม่ได้สนใจพรามาติดกับกับสมัยใหม่องค์กรสิดผิดม น, นุษยชนแล้วอะ่ะเอามาใช้โดยไม่อธิบายมันมันเผียตรงนี้มันผิดตรงเนี้ยก่อนที่จะนํามาใช้อธิบายว่า เิเทเนี่ยใช้เิษเนี่ยอันไหนควรจะใช้สธิ์อันไหนไม่ควรจะใช้ธิ์เนี่ยย้ำตรงนี้นะควรที่จะใช้สิ ธ, สธิ์ควรใช้ในสิ่งที่มันถูกคนนั้นเลยอะไรเป็นเครื่องวัดกฎหมายสินทาย้ำตรงนี้นะมันได้พูกก็ได้เตือนกันได้นะเดี๋ยวนยีมันเป็นสิ์ของฉันเนะี่ยมันเปนสิดของพรนะ้อมมะ มันเป็นเศษของเขาพวกก็ไม่รู้เรื่องเลยเดีย๋ยวนี้ น, ะนังนักเข้ายังยังจ้เาไปตำรวจนียน่ะอย่างลงปูเทืกษามหาในป่าเคร<ล>ื่งองหูได้ตะวเครื่องหูเครื่องหูอย่างมันมีคนบางคนบางกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยนเอ๊ะ ไมเลียงรัฐประชาธิไตยแล้วรัฐประชาธิปไตยอีกประเทศไทยกับปกครองระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วอ่ะหรือปกครองระบบไหนในประเทศไทยทำไมเจ็ดห้ารือนู่นเนี่ยแปดสปีวันนี้ในประชาธิปไตยเจ็ดเจ็ดห้าวันนี้เกือบแปดสิบปีพแล้วแต่แต่ก่อนสมบูรณ์แล้วแปดสิเจลานแต่ในเจ็ดห้าวันนี้เกือบแปดสิบปีแล้วปกครองระบบประชาธิปไตยจ้ะ แต่ตเนี่ยแบบร่มลุกโควคาร์ทําทไมร่วมลุกโควคารยิ่งเอามายกไม่กี่ปีมาเนี่ยมันเป็นกดธรรมชาติเลยถ้าสอนแล้วบอกประชาธิปไตยเขารบนนาด้วยกฎหมายเท็ถูกอกฎหมายเครื่องวัดทักกันได้จะได้ยกได้จะหมายได้ก็ตามทีิเนี้ยผู้บริหารเนี่ยมีอำนาจนั้นมาเป็นคู่คันอะรนคู่ประชาธิปไตยยุย่งยากเลยท โทษใครนะนี่คือกฎประชาติระบบเป็นธรรมชาตินั่มีอย่นั้นกงนก็ไม่เป็นคู่กันอะ่ะเงินเนี่ยจเหนืนอกวทุกอย่างเลยประชาธิปไตยจะไม่มีความหมายเลยเนี่ยที่ไปที่มาเนี่ยมันดุง่งเลเนี่ยแล้วแต่เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ใช้ทางจิตวิทยามองเขามองเรามองเราองเขาเขารู้เราเราเขาถ้าเขารู้เราเรารู้เขาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไนดะ้นี่คือกฎธรรมชาติถ้าเขารู้เราอย่างเดียวสิเนี่ยเขาวางแผนอะไรก็ไม่รู้ยุ่งได้ขนาด แ, แต่นั่นน่ะ ถ้าจุดว่าเขาเรียกร้องแล้วแลบอกประชาเทิดใจถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มองแบบลูกเขารู้เรล่าลูท่านเหตุการณ์ได้รอยนะจะถามประชาชนจะถามประชาชนนี้พอไม่้พี่น้องลงป่านะมีคนบางคนมีคนบางกลุ่มเรียกร้องประชาชนเทิดใจ ประชาชนใจรู้หรือเปล่าประชาชนที่ใจในโลกเนี่ยที่พอจะเรียนรู้พอจะรู้ได้เนี่ยมันมีกี่ระบบอธิบายเอาประชาชนฟังจะหน่อยได้ไหมยอย่างเลน้อยอย่ะประชาชนใจมีสามระบบนี่มาอะไรป่านะเนี่ยมาอะไรบ้านเราก็ไม่จับอธิบายแบบมาอาไรป่านนี่แหละสามระบบยังไงระบบหนึ่งอย่างชา ต, ติโดนตกบางประเทศ มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำประชาชนติดใประธานาธิบดีเป็นผู้นำอย่างที่สองอย่งเ ม, มืองไทยมีองค์พระมหาตัดเป็นประมุขเรียกวิญญาณเจ้าแดอย่างที่สามพี่น้องฝั่งของอออทำสปปลาวแต่ว่าไหง ในขนาดไปข่ า, เขาวเวียจีปวเยนไปทางานต่างรประเทศทิพโกีเราเปลีออกใดไหมสอปปอลาอไอ่กรประชาชรชประชาริไม่ใช่ตัวหลัไม่ถูกอกไปตงตรงไปข้างของไปไปไปทเข้าไปปปปปปนใ็นห ใช่ครับใช่สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาวประชาชนลาวะช่ไหมมีประชาธิปไตยนีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวับเห็นไหมประชาชนลาวแต่มันก็คอมมิวนิสต์ดีๆไม่อาจารย์อายตงอธิบายอย่างนั้นอย่าไม่ต้อง พูดตรงๆที่ประชาชนชาวบ้านผู้ เ, เรียนน้อยเขาจะเข้าใจตรงๆก็คือประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์ถ้าตรงๆนั่นน่ะมันมีให้ศึกษาให้รู้เลยเนี่ยถ้าเข้าใจนั่นถามประชาชนที่หน่อยได้ไหมควรไหมประเทศไทยเราจะเปลี่ยนประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ถามประชาชน หรือควรไหมจะเปลี่ยนเราเป็นประธานาธิบดีมาเป็นผู้นําเป็นประชาเตีเ๊ยบใดแบบประธานาธิบดีถามประชาชนจะว่าดูอธิบายเขาฟังเมืองลาวชีวิตควรเป็นอยู่ของประเทศ <c oughs> กับเปียบเพียบเมืองไทยถ้าเมืองลาวดีกว่าไปกว่าดีกว่าไปกว่าคอมมอนิสต์ดีกว่าไปกว่าอาวประชาชนเขายินดีมันก็ฝืนไม่ได้ ระบบไหนก็เธอะถ้าประชาชนมีรัฐมือรจบเยอันนี้คือกฎธรรมชาติหลักความรู้มหาวิทยาลัยป่าแต่ทำไมไมันมีใครอธิบายทำไมไมีใครอธิบายเดี๋ยวเนี้พวกเจ้าเนี่ยมันถือแบบอะไรล่ะ มันไม่ไถือแบบนักปราชญ์โบราณตรงนี้อ่ะถือแบบว่ามองปัญหาในปัจจุบันจนมากเอ๊ะมันเกิดอะไรเกิดเกิดอะไรเอ๊ะมั น, นนี่มันแย่งขนานี้แมวมันก็รู้มองเพียงแค่ที่แมวมันก็รู้นักปราชญ์โบราณนะั่นเขาไม่ได้มองแบบนี้นะ่ะ มองตามระบบแดดแดดปัจจุบันแบบแบบบเนี่ยมันเกิด อ, อะไรขึ้นเกิด อ, อะไรขึ้นมันมีอย่างนี้มันต้องมีผลอย่างนี้ต้องมีนัปกปราชญาโบราณเคยสอนเหตุยังไงมองปัญหามองแบบปัจจุบันนี่แบบแบบหนึ่งแบบที่สองมองดึกดื่นใครลองแห็น แยกบ่ามีมองแบบกว้งๆไกลๆประวัติศ า, า, า, าจบเลยจะเนี่ยทามองงอง3ามระบบอยู่นะรู้เขารู้เรารู้เรารูเราร้เขาเฮ้ยกันไปเลยเฮ้ยเขารู้นแล้ว <c oughs> <c oughs> จบเลยงานนี้เดียวอย่าง แบบนี้นะครับเจ๊ท่านประจํามอก่อนอยู่ไซกาไหมครับอ๋อคููวัวเหรับ้อทุขทาพระาจรเคยได้ยินโลปกูดไหมหลปูกูดหลวดรักกิตติโลน้องชากูเชิญผมจาได้เคยไปถวายแท่งน้าแบบนี้ที่วัดสอง สองลูกครับว่าจะแทนครับเมื่อที่เ ร, ราพูดเห็นว่าท่านเป็นตำรวจครับจะได้นำข้อจิตอย่างที่จะเช็ดไม่ถึงจริงๆนะครับไอ้ที่เด่นเช็ดไม่ถึงจริงๆนะครับตรงนี้มันเคยลาสมัยนะครับถ้ารู้เขารู้เรารู้เราแล้วเขาเนี่ยมันมันหาจะแก้ปัญหาอย่างเนี่ย เัอเินไปหรือเปล่าเวอร์เรู้แล้วนะครับวางแผ่นกระดาษใหอเดนนั่นะมันจะแก้ปัญหาได้ขออนุญาตขออนุญาตกาัานมากเลยไม่เคยกล่าวเประจําหาดูเกียร ผมเข้าไปถังหลงตาก่อนครับนี้ผมดูดอนี้ครับดูดอนครับเมื่อเช้าก็เป็นกูล่ามาหน้ามาอีนะคะตาเราเกิดเป็นสามกันก็มีอกาศนะอาจารถามหน่อยผมจคผมปว ปกติพอ น, น้ันน้ำจะเกิดขึ้นครัง้งหนึ่งนะครับทีที่แล้วเห็นนั่งอยู่เราเห็นกระดูกตัวเองอเห็นจากข้างในมาข้างนอกนะครับก็ อ, อยู่ๆไอ้ผิวหนังนี่ก็เปื่อยแล้วมันก็กระแทกแต่ตื่นเต้นเกินไปมันเลยหายอแต่เมื่อไม่กี่วันวันนี้นั่งอยู่ดีๆกาลังจะถอนออกมาอมหัวมันหายนะ่ะผมเลยกลัวคือมันกลวงอแล้วนี่มันไม่มีเลยนะเนี่ยมันมีแค่ตรงนี้เอง ถื อ, อยังไงก็ตากลับเปลือเป็นจริงหนะตรงนี้ถป็ว่าใหนมีคุบาอ์จันถ้าเผลือนเป็นเก่งอย่างที่ว่านะคือเห็น <c oughs> นั่นแหละมันไม่ได้เสียหายอะไรซึ่งว่าท่นว่าตามตนรมดาจะว่าระวังการภานาเนี่ยเมื่อจ็ตมันจะสงบพอจังหวะระบังนิมิตมันจะปรากฏนิมิตคือสิ่งที่ปรากฏในสิ่ที่เราไม่เด้นนึกเมื่อได้เค็ดนะมันปรากฏขึ้นมาค <นะ S 2> รับครับหนึ่งคับเดียวขนาะ อันนี้คือิีเมตะเรยอย่าไปหลงอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นอันนี้คือหลักหลักการนการ่ารอนเรื่องภาวนาท่าเป็นจริงนั่นอันนั้นคือดีเมตที่ปรากฏจิ่งที่รู้ปรากฏคือใจใจความรู้อย่าไปดิ้อย่าไปป่อยทั้งคนในเรื่องกับสิ่งที่ปรากฏจสิงที่ปรากฏคือดีเมตปรากฏ ที่มีิมิตปรากฏอนุจังมันไม่เที่ยนเคยได้เกียงเคได้ับเคยได้เกี่ยงได้ส่วนที่เป็นู้ดิมิตที่ปรากฏเนี่ยเคยใจใจได้ไม่เคยามีเจตีไเคหายเลยออม่่ไม่ไม่ไม่เคยทิ้งเลยไม่ไม่เคยขาดความรู้สึกเลยท่านมีเจตีฉะ้นให้ฝึกเตีฝึกติฝึิเจตีเจตอยู่ตงไนสมาธิอยู่ตรงนั้นเหรอ่เนีย อ๋ออันนี้จะพยายามอยู่ก็ไม่ยากมากนันล่ะอย่าไปอย่าไปอย่าไปติดท้องตทนอย่าไปกลัวอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใจสี่ที่จะเจอจาไม่เกิดเลยมเออะไรไม่อยากจะทำต่อไปก็เราเอออนี้มันแปลกกว่าเขึ้นมาเลาวมนอยากจะรู้มันอยากจะเห็นมันอยากจะเปลี่ยนเลยขายเป็นนี่หวนธรรมเด็กอ๋อดูนี้ แต่ผมปัญญาน้อยผมโง่ผมไม่คิดถึงว่ามีครูใบมีครูใบจานกับพยที่นี่เอง อ, อ๋อใช่ไม่ไม่ผมไปคิดอีกเรื่องหนึ่งไปคิดว่าโทษ น, นะครับท่านอาจารย์เรเสร็จแล้วไว้สงสัยตายหงในแน่ข่าวนี้ต้องเกิดไปคือไม่ไ ม, ไ ม, ไม่อันนั้นคือความคิดตัวเองอ๋อความคิดมันไม่แน่นอนความคิดอเนี่ยความคิดเป็นทหารทหารเกียรต อคิดทางดีก็ได้คิ ด, คดทางทั่วคิดทางทำลายคิดในเกิดความเอ่ทอท้าใจก็ได้คิดในมีความหมัน่นความยันต่อตู้ต่อตู้เอาอย่างเดียวอย่างเดียว ใ, ใครเขียนถือทางมาหนารน้นองตากเขาเน่นเาสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยนะโอ <c oughs> คิดดีก็ดีคิดทุกข์ก็ทุกข์แต่ไอ้นี้ไอ้ห้ามความคิดมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับห้ามดูตรงนี้จะว่าห้ามไม่ได้ก็ไม่ใช่ให้ภาวนากับความคิด คือความเช็ดอย่าไปเช็ดก๊อตแสบตามเรื่องให้ตะรองกระแสเก็ดใี่มันเช็ดมาอยู่กับที่เรานึกอโตใส่เช็ดยกับโใส่เช็ดอยู่เดียวใจ่นิิตนี้ไม่ใช่รางไม่ไมมาไม่ไมกพราะ <laughs> ปั ญ, ญามัมันมโง่ยอมรับว่างโาง่อยางเดียฉลาดยังไงจะว่าไอ้คนนครับขอบคุณมากลจะได้เที่ยวกลับกลับหลวงตาเลยขอธรามะตัวกันด้วย กูจขาบางนุ ก, กับลบุรีประมาณเสือนเงจะปะิถามากนอกส่อขมาาบอกมาบอกใุปุรีผ้าคนแปลกต า, าอกบขอกขม่าโอกของตาที่ยูตข้างอกนะคะทีไปแววลบรูคนปาดเที่ยวมีด้านมันมีอันที่เหลืองอยู่ในในรจ ะ, คะาคนนี้เขหนุ่มกลับไปแล้วมีมีคตรูติดว่าเข้าเป็นลูกดงตาลูกของลูู่ เข้าเห็ุความดีเข้าสิบญาณนี่ย่งเงื่อจะเล้ยบอกว่าเออเข้าเห็ุค้อมดีสามข้อมดีเข้าบุญญาณุแม่จะหมายถึงว่าเข้านเข้าป an like so ีแต่ว่าบุอยาตเองเข่าบุอยากคนแม่มถึง um so ัไนรู้เลยเข้ามุเย็นสี่งเย็นห้าโมงเยนว่าไป่ว่าไปว่าไปเลยบอกว่าเข้าสามุนห้านดี แต่แต่ทุกครั้งเห็นล้อกับเปลี่ยนแบบนั้นลวงเจ้าค่ะก็เป็นแบ บ, บแสดงออกห้เห็นชัดได้ว่าวยาไหนห้องอยู่นะเจ้าค่ะเพราะหลวงปู่ว่าลูกล ก, ก็เลวเ้ว่าลูกว่ะจะเห็นแถวไหนเจ้าค่ะหลวู่ว่าพามาแล้วหลงเชื่อลูกไปอยู่ใกล้หงเชื่อหลวงปู่ยิยบม่็ได้เป็นภาพเป็นเจ้าค่ะนี่เราเชืกก่อได้ไกลได้่ยอยเหี่ยงเนื้รื้อของเธอพลังมาก เขาอาจจ ะ, ะมีความต้องการอยาถามอย่าูกผ like ู้ลูกก็ได้ซร้อยน่เจ้าค่ะก็จังหวานั้นแล้วก็ได้จะเรื่องเออคือตามเจตนาของเลยบางเจตนาของของของไข่ของเขาของเราถ้าเจตนาท่านผู้บริจจะไปตรงเติมเอาตามเจตนาเจตนาของของคนใดก็เจตนาเหมเช่นตามเจตนาของเขอันนี้คือหลักเออเป็นธรรมชาติหลักเต็มธรรมตามเจตนา วาจะคอยลงปูมันหลายหลักมะนี่ยิ่งมสแ้โอ้บกดาใ่ค่ะบกดาขมบกดาขมบกากดาขมบกพวมกดาขมกดาขมบกดาขมนดาขมบกขมบกาขมบกาขมบกาขมบกดาขมบกาขมกดากดาขมบกดาขมากาขมามดากดาบกาขมบกาขดาขมขากาดก โดยที่บ่มีเหตุการณ์ยเกิดขึ้นลังงาจะใช้เขาที่สาวมาจากนี่กาเราจะพารูว่าิไปวันที่ปูต่างวัยไหมกระเด็ะเด็นกเด็น่ยังพ่เห็นเลยเดี๋ยวขอหลวงปูปปูสิยูไปเรื่อยจา่นงยังยังยังยตอบ จะเกิดเน่ขับพังด้วยกันคุปปู่นสิลี่สาระใช่ไหมจานติ่เนี่ยขาวเราเคยเห็นหนาต้องปูเรื่อมากมันพังหัวเรูดลรนเลย น่ไม่นี่ข้องบ่อมาแจากใส่ว่าว่ามีโคตมีเข็มรั่าวิ่งเหตุผลจะจะเคล็ดแบบนั้นว่เจ้าขเพืได้ป้เหตุลแต่กาสจะลาบุรีนะเจ้าขาเป็นหลายครั้งนะเจ้าแต่ว่าตอนนั้นที่ประวัติเจ้าฝึกใ้จับบรรุให้บรรจุน้ำไก่เจ้าข เมื่อเนี้ยเขาอมมาขายไม่ขายบนบอร์ดยมีอยู่ครับเขาเขาคีบอยู่จะจสว่าแต่สว่างร่นี้ไหนก็มีขายนขายสดสดเลยมแต่ก่อนเห็บอ่อไม่ได้ใจเครื่องแบบนี้เอาควยอันนี้ตันนี้เป็นแกนกลางอันนี้อยู่กนคางอันเนี้ยแล้ว แนวข้านไปเนี้ยหายควายมันเดิ น, นมันเนกมุนเลยจริงๆหมุนเออเดินกหมุนนำ้ำถึงหมุนนำ้ำไปเขานี้ควายบนวงกอมือมั น, น, มมนก็มาบีปลป่อยไมันเแจ้งๆใจก่อนแต่ก็เดินคือว่าเนี้ยพ่อแม่พมเพื่เกิดก่อนนะอาบูกไว มันไม่ามไม่ที่ดีบางทีเดีย๋ยวมันมาต้มนาเออมต้มเป็นก่านขายมันก็เห็ดมากว่านี้หดเลยเอาแม่ครับ <c oughs> มอเตอร์ในทางอะไรปั่นเดือดทุกงหมดิใจโรงงานเลยมันก็คือตะก้อนดีที่ขึ้นตก่อนน่นึกถึงคำบอกของพ่อหลวงประเดี พออยู่พอกินพอใช้พอสอยเกียรติจิตพอเพียงไม่ต้องอะไรมากหรอกพออยู่พอกินพอใช้พอสอยมันตรงประเด็นเปเลยไม่โอทไม่หยากเงินแทจะไม่มีความจารเป็นเลยในหมู่บ้านเน่ยจะมีความจาเป็นอะไรบ้านล้างเงินเก่ายิบฟิวดังนเวลาจิ้งข้าวเออมีอาหารอะไรวันเนี้ยถ้าเผื่อมีมามาแบ่งกันพอคนมีอะไรมามาเปลี่ยนกัน ไปตีเป็นน่องไม่อาหารกันอยู่กันจริงเอามปเปลี่นการกินเลี้ยงกังงงนมันแทบจะไม่มี เ, เงินรางไม่มีประโยชน์นี่ก็หมายอันเนี้ยเสื้อผ้าของใส่เนี่ยปูกเอา้าฝ่ายปูกฝ่ายธร า, ามะเที่ยวไม้เข็นนะมาตาำท่อหูกท่อหกก็มาตัดเป็นเสือของผัวสา ح. ชุดผัวสายของผูัวยิ่งชุดไปยิ่งไอ้สีดำเนี่ยปูกข้ามาเอาเอาข้ามมามันยอมเป็นสีดำ ทุกวนนะ่มันไ่ได้ไดอ่เลยยากเลยไม่ได้จเป็นใจเดอร้อนเลยมันมเหมือนวันทกวันเนี่อะไรโคตรขี่เกียดไปหมดทุกว่าแต่คนนะขี้เกียจขนาดหมายังขีเกียจขีเกียดเดินนะั่นน่ะเพราะจะวงีเครื่องตกตกตกตกอ ก, ก, กระโดดึคนคนแล้ว <c oughs> ทกวันน่น่ะ เราเมื่อกี้จะพดโพดเดิมมือนเอ้ย่านี่ไม่ทันยกทันสมัยไม่หมู่บ้านไหนความกวนอะไรกระถามแต่ก่อนไม่เคยมีนี่มีเด็ทุกวันนี้ถามว่าบ้านหลังไหนไม่มีนี่มีเด็ใครไม่มีนี่มี่ด็กงจะมาเปรียบเทียบกับอะไรพัฒนาหนะ่ะยกพัฒนาพัฒนาถ้าเป็นความเกียดเราหนามันพัฒนาไม่ ไม่ถูกหลักกรฐฐารที่เดียวรัฐบาลพัฒนาทุกวันพัฒนาการเมืองพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมสี่ระบบสี่ระบบก็เหมือนเดียนิ้วมือคนมีสี่นิ้วใช้ได้ไหมดาเดียมตะบู น, น, นถ้าตะบวนก็นคือมีหานิ้ มันขาดในพัฒนาหลัวิชาการของของของรัฐบาลมันขาดพัฒนาด้านจิตใจตรงนี้นะถ้าเผื่เป็นไปได้ที่พัฒนาสมบูรณ์ที่สุดจะเพิ่มพัฒนาด้านจิตใจเข้าไปเหมือนในมือหานี้แต่ไมไม่อยากจะเ อ, อพัฒนาด้านจิตใจมีอัลากานอะไรพัฒนานคือหลักสิง่งทำ นี่พันาใจจิตใจเด็กโกรธรรมชาติเนี่ยหลักสินธรรมเนี่ยประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่อยากจะฟังเลยเรื่องหลักสินธรรมไม่อยากจะฟังเลยทําไมเพราะจิตใจประชาชนคนธรรมดามันมีกิเลศโลภโกรหลงัณหาถ้าเอาหลักสินธรรมไปกิเลศโลภโกรหงมันไม่ยอมรับแดังนั้นเน่ะถ้าพูดเรื่องหลักสินธรรมเนี่ยกิเลศตัณหาโลภโกรหลงเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธ อั น, นี้ก็กฎธรรมชาติแต่เหมือนจนโพลายมันอยากจะดูนไม่เห็นหน้าอาจารย์ที่มันเป็นกฎธรรมชาติเลยมันจะได้ค่าคนจะยอมรับพัฒนาหลักสิ่งดาเนี่ย อ, อ, อ, อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องปกความกัเนื้ให้ประชาชนรู้อะไรถูกรู้อะไรชั่วอะไรดีอะไรชั่วมันจะรู้แบบเป็นโคน้ดเป็นคู่นะมหาอะไรป่า <c oughs> โง่ฉลาดนี่นะ <c oughs> มาที no e. less, no. ่ม no. ุ้งเลยเดีกมุ้งวเลยามันต้องไป่ไปทาอมีนีก้ีทารมัหนา่หนาเออด ขันเป็นไจะัดคั่นู่ดีเ่นงวสเรอง้ามเรื่ัน้นะเออันีนได้นันได้แล้วมันก็ไม่ไมมีปัญหายางหลับเจ้าคะถารยการยากาศ่าคงไปกระเดาหลายๆจะมีขันหลายๆด้วยเจ้าคะก็ก็ก็ชันดยะใช่ยุ ไปบอกเนันมาเกียบปัจจัยลองนก็าบอกเออไวบาได้หมเอาไปเก็บไว้เดี๋ใชหน่อยนี่นั่นลงเทนี่ แต่จะมัคมงคูเทตุแมนั่งหลาวไปจะฟังเพิ่มิด้เสี่งใส่ใเจ้าค่ะติ๊อัดมนจมงูตาห้องไหนเ้าค่ะจะหนักขึ้นขาบ่งแรงหลูกได้บ่เมื่อได้หูกดมากอีกปนุ ญ, ญาตออก ไ, ไปเห็นลุงตาได้ดีใจเจ้จค่ะลุงตาไม่ทุกข์ยงทุกข์เข า, ากจ้าค่ะต อ, อัดนะเค่ะก็ด้ดั้งใจเจ้พฟอนึ่ง